بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين ا ل نبينا م ح م د وعليه وصحبه أجمعين ر ض ي ت ب ا ل ل ه و ر ب ا و ب ا ل إ س ل ا م د ي ن َ ه و ب م ح م د ر س و ل ه รับบิษ ل ์ ي ักลีสัตย์ดีวยยาศ ل ีอัมลี ن ่าผลอุดต ه นมิ و ิสันีย่กว่าหุกเอาลีอัลลอฮุ و ะฟา ل ิหุฟิดดินวานิหุจาวินอัสสล ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจ้าล็อกสุบฮานะหัวตาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอาทุกทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละชุโกต่อลอสุบฮานะหัวตาลาที่พวกเราได้มีโอกาสมานั่งอ่านกุรอากันนะครับวันนี้มีอาจารย์สองท่านนะครับเดี๋ยว ชั่วโมงถัดไปจะเป็นอาจารย์อบดินทั ส, สันไม่รู้ตอนนี้ติดฝนอยู่ที่ไหนแต่ว่าโดยปกติท่านอาจารย์จะมาก่อนเวลานะเขา เ, ข า, เขาบ้านไกลแต่ว่ามาก่อนคนบ้านไกลามาที่หลัง <c oughs> อ่ะก็ทาดีแล่วขอดุดานะครับให้อาจารย์ เดินทางมาอย่างปลอดภัยนะอ่ะเดี๋ยวเราเรียนกุตอ่านกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพออาจารย์มาก็หยุดพักกันนะครับ <Yeah. S 1> เริ่มต้นวันนี้ในสรอ้อนอันอามอายะที่สิอ็ดก็ะข้อสีรอนลดีนากัะดับบูบิลิกอิลาก็ดะข้อสีร้อนลดีนะอายะที่ส1เอ็ด เริ่มต้นที่ฟาติฮาก่อนนะครับอัลลอฮฺบิลเลห์มีน ash-shaytānirrajim بسم الله الرحمن الرحيم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 อิยาค์นะบุดวะอิยาค์นะสตัยน์อิฮดี r ัศราะตัลมุตสติมศราะตัลที่นาอันงามต์ عليهم غير المنظوب عليهم ولاضالين อาเมนอ้างอ ا บิลลาฮิมิน الشيطان الرجيم ลลก็ดูให ا ค إِلَّا บแล้ลลวลลลลลนะครับไอ้รอบนึงอย่าลืมก้อนก่อนละ น, นะครับก้อนเ قد خاسر الذين كذبوا بلقاء إ ل ِ حتى إذا جاء ขุมตบรตะตกอุมตบตะกอูอ่าหยุดกองกอลูเดี๋ยวเราย้อนกอลูต่ออีกรอบนึงนะเพราะว่าไปไม่ถึงแน่อ่าหยุด ตรงนี้กอลูแล้วเสร็จ c a ยาแต่ตอนนี้ยอนอีกรอบหนึ่ง Had ida jat humus saatu bertat q a อาลุย่าฮ์สระต์นาอัลลาห์มาฟาร์รอต์น่าฟีห์มาฟารอต์มาฟาร์รอต์เอ่อตรงนี้มีตัว ชัดดะตรงรอด้วยนะครับฟาร์รอต่อกอลูยฮัสรอตน่าเล่ามาฟาร์รอต์นาฟีหา ว يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ลُ ه ُ و ر ِ ه ِ م ْ ว هُمْ يَحْمِلُونَ أوزارهُم َْ على ََُ ه و, ه و ه ر ِ ه م วะฮุมْ่ำมิลุน أوزارهُم على ذهورِهم ألا َ س َ أ َ م َ ا يَزِرُونَ وَمَا ลพายาตุ الدنيا อ ل ลลา لعب ولهو ولدار الآخرة ولدَارُ َّ الآخِرَةُ خ َ ي ْ ر ِّ ل َّ ذ ي ن َ يَتَقونَ ّ أ َ فَلَتَعْقِلونَ ว่า ا ل ْ حياة รอบ د นّ ن ْ ي َ ا มِ ل َّ ا ة ทุก dunya illa labyu walahu walad d a r َ l a k h i َ a h ว่ามัน ح ي ا ْ ي ุ ا إِلَّا ل َ ع ِ ب b و َ ل َ ه ْ و u والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون มาดูความหมายนะครับ กอดแปลว่าแน่นอนเป็นการเน้นยำ้ำนะกอแน่นอนเน้นเลยว่ามันจะต้องเป็นอย่างเป็นอย่างแน่นอนมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนกอดคอสซีรูกอดะคอสซีรอนแลดีแน่นอนเรื่องอะไรได้ขาดทุนไปแล้วใช้คำว่าขาดไปขาดทุนไปแล้วนี่แสดงว่าเกิดขึ้นแล้วนะ ผ่านไปแล้วอขาดทุนไปแล้วอัลลดีนะาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธกัซาบูบิลีกออิลล่าปฏิเสธต่ อ, อการไปพบอัลละแสดงว่าเขาเชื่อว่าเวลาเขาตายไปแล้วเนี่ยก็คือตายแล้วตายเลยไม่มีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาไม่มีการที่เขาจะต้องไปยืนต่อต่อหน้าอัลลอฮแล้วนะ ใครที่เชื่อแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าขาดทุนแล้วแสดงว่าไม่เชื่อเรื่องอะไรเรื่องวันเกียรมา เ, เรื่องของโลกหลังความตายนะครับคำว่าคอสีรูตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับแปลว่าขาดทุนแบบไม่มีโอกาสในการแก้ตัวแล้วนะคนที่ค้าขายเนี่ยก็มีกำไรมีขาดทุน แต่การค้าขายเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะขาดทุนเสมอไปส่วนใหญ่จะเป็นกําไรด้วยซ้ํานะส่วนใหญ่จะเป็นกําไรด้วยซ้ําแต่พอมาพอมีเวลาวันไหนขาดทุนก็จะบ่นนิดนึงอืมแต่ตอนตอ น, ตอ น, ตอนมีกาําไรอัลฮยยัมดุลิลลาฮิมเออไงกำไรามาสามวันติดไม่พูดอะไรเลยเพอขาดทุนบ่นเลยนะอันนี้แหละมนุษย์แต่ขาดทุนในดุนยายังไม่เท่าขาดทุนในอาคีราอ เพราะไม่มีโอกาสจะกลับมาแก้ไขอะไรแล้วอัลลอ์บอกต่อว่าฮัตตาอีซาจาอัทุมุสซาจนกระทั่งเมื่อวันกยามาเนี่ยได้มาหาพวกเขาบักตาตันไปว่ามาแบบกระทันหันเลยมาแบบกระทันหันกอลูแน่นอนเมื่อกระทันหันก็ไม่ได้เตรียมตัวคนพวกนี้เนี่ยจะไม่เตรียมตัวอะไรครับ ใช้ชีวิตให้มันผ่านผ่านไปแต่ละวันหาความสุขเข้าตัวเท่านั้นแหลนะนะกูลูเขาก็จะกล่าวแบบเขาจะกล่าวว่ายาฮัสรอตานาอาลามาฟาร์่อนาฟีฮาพวกเขาก็จะกล่าวว่าโอ้ความเสียใจของพวกเราในสิ่งที่เรานั้นได้บกพร่องในโลกนี้อมาพูดตอนวันที่มันสายไปแล้ว เสียใจเสียใจยในสิ่งที่เราบกพร่องไปแล้วก็จะเห็นได้นะคนที่ไปก่อคดีเขาก็จะบอกเขาเสียใจแอบไม่ได้ไม่ได้ไไดอะไรนะเสียใจยในสิ่งที่ทําไปแต่เมื่อมันเป็นความผิดไปแล้วก็ต้องถูกลงโทษตามที่เขาได้กระทําอนั้นเวลาจะทําอะไรก็ต้องคิดใครควรไตรตองก่อนนะครับไม่ใช่ว่าทําไปแล้วค่อยเกิดความเสียใจย เอาต่อมาวะฮุมยะมีล um ูนา uh อซารหุม阿าซูฮูริหิมเอออันนี้สำคัญนะโดยที่พวกเขาจะแบกความผิดของพวกเขาไว้บนหลังของพวกเขาด้วยอัสบาตเป็นเอ่อคนที่รายงานมานำมาจากอัสุ ด, ดีบอกว่าเขาได้เล่าว่าทุกคนที่อาธรรมต่อตัวเองแปลว่าปฏิเสธศรัทธาต่อลอดเนี่ย เมื่อเขาได้อยู่ในหลุมศพแล้วจะมีชายคนหนึ่งหน้าตาน่ากเกลียดมากเลยมาหาเขาผิวนี่ดำสนิทแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเน่ามากยังไม่ทันตายเลยเน่าแล้วกลิ่นเหม็นไปหมดแล้วก็ใส่เสื้อผ้าแบบหยาบหยาบเข้าไปอยู่ในหลุมศพของเขา เมื่อคนในหลุมศพเห็นเขาก็ถามว่าทำไมหน้าของเจ้าเนี่ยมันน่าเกลียดอะไรขนาดนี้ไอ้คนที่อยู่ในที่มาอยู่ด้วยที่หน้าเกลียดก็บอกว่ า, วานี่คือผลงานของท่านอมันมาไงจำได้ไหมเราเคยได้เรียนเนาะคนที่เป็นผู้ศรัทธานเนี่ยมาแบบรอมาเลยสวยมาเลยถามนี่ใครเนี่ยอ๋อละหมาจ่ะชื่อละหมาดอันนี้ใครอันนี้จาการอันนี้ฮัทมาอยู่รอบตัวเลยเป็นเพื่อนไอ้คนชั่วล่ะนี่ไงมาแล้ว หน้าตาหน้าเกลียดมาเลยก็ถามว่าใครอ๋อนี่คืออมันของฉันนะเพราะเป็นผลงานที่น่าเกลียดมากก็เลยหน้าตาหน้าเกลียดวันที่มาหาวันที่มาอยู่กับเราในกูโบเขาก็ถามต่อว่าแล้วทำไมเหม็นละ่ะทำไมมีกลิ่นเหม็นก็เพราะว่างานของท่านมันเป็นงานที่เน่าอ่ะงานเหม็นเหม็นงานไม่ดีนะ เขาก็ถามต่อว่าแล้วเสื้อผ้าทำไมมันแย่จังเขาก็บอกว่าผลงานของท่านมันแย่ไงเสื้อผ้ามันก็เลยออกมาแย่นะสุดท้ายก็ถามว่าเป็นใครก็คือการงานที่เขาทำไว้นั่นแหละปรากฏว่าเขาก็กล่าวต่อว่ามันจะอยู่กับเขาในในสุสานจนกระทั่งถึงวันกิยามัดเลยอยู่กับของเน่าเหมือน ก, นกันกับตอนที่เราเรียนหะดิษบทนึงที่ว่าอลัลลอฮจะมาอยู่กับเราเป็นเพื่อน ก็เนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนดูแลสบายใจแต่นี่อยู่แล้วทรมานนะไม่ต้องอะไรมากพี่น้องเราคงไปเจอกินเหม็นเหม็นนะเนาะแล้วก็สมมติเราอยู่กล้ ก, กินเหม็นเหม็นเนี่ยสักค่ชั่วโมงหนึ่งผมว่าก็อยู่ไม่มีความสุขแล้วนะมันเน่าอะ่ะล้วอยู่คิดดูมันเล็กๆแคบๆเนี่ยเราก็ไม่มีความสุขแล้วแต่นี่เราต้องอยู่ถึงวันตั้งแต่วันตั้งแต่วันที่ถูกฝังไปจนกระทั่งถึงวันกิยรมะจะทรมานมากแค่ไหนนะ นั้นเปลี่ยนอมันของเราให้เป็นอมัณที่ดีเสร็จแล้วพอวันเกียริยามันนี้ยังไม่จบนะอมัณตัวเนี้ยที่เป็นอมันเน่าๆ่าเนี่ยจะบอกว่ารู้ไหมตอนที่เธออยู่ดุนยาเนี่ยฉันเนี่ยแบกเธอไว้ตลอดเลยตอนที่อยู่ดุนยาเนี่ยอมัณเน่าเน่าเนี่ยนะแบกเราตลอดแบกคนนั้นตลอดคือไงแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยถูกลอยตัวตลอดสบายตลอด ไม่ต้องสละเวลามาทําอิบารดาต่อร้อนเลยใช้ชีวิตแบบเสเพเต็มที่ลอยตลอดเลยก็งานมันแบกไว้ไม่ต้องสละเวลารามฎาอนมาก็ไม่ต้องบวชละมงละหมาดไม่เอาไม่ทําอะไรทั้งนั้นเละเอาแต่งานอย่างเดียวเอาแต่ความสุขอย่างเดียวในวันเกียรมะไอตัวงานเน่าๆแบบเนี้ยมันก็บอกว่าอย่า น, นแกแบกฉันบ้างต้องแบกไปเน่าๆอยู่ข้างหลังเราเนี่ยแบกไปเรื่อยๆนะ นี่คือคําอธิบายของดําบลาดของลอทิวไอความผิดของเขาจะถูกแบกไว้ที่หลังเขามันแล้วอลอท์บอกว่าไงว่ซาวอาลาซอามายะซรูนพึงทราบเถิดว่าช่างเลวไ ร, จร้จริงจริงสิ่งที่วกเขากําลังแบกอยู่อหมมันทั้งเน่าเอ่ยมันทั้งสกปรกมันทั้งไม่น่าดูไม่ น, าน่นานชมนะอันนี้คือผลงานนะครับที่จะ มาเจอกับเราในวันกียรมะ้ยเราเลือกได้นะพี่น้องนะเราจะเอาการงานที่ดีที่เป็นเพื่อนเราแล้วก็คอยปกป้องคุ้มครองเราเพราะอามันนี่แหละจะมาทำหน้าที่อารักขาอาดาบต่างๆในกูโบโนะครับส่วนนี้อันหนึ่งมาเพื่อเป็นภาระเลยมาเพื่อให้เราทรมานและต่อมาลอ์ Allah บอกว่าสาเหตุใ ด, ดล่ะครับทำไมคนเหล่านี้เนี่ยถึง ยุ่งแต่การใช้ชีวิตในโลกดุนยาเขาบอกว่าในกุรานบอกว่าว่มัลไฮยะตุดดุนยาอิลลาไลบุะละหูและชีวิตความเป็นอยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากการละเล่นและการเพลิดเพลินเท่านั้นพวกไหนเนี่ยพวกข้างบนเนี่ยพวกก่อนหน้า น, นี้ที่เอาล้อบอกแต่สําหรับผู้ศรัทธาเนี่ยเราให้โลกดุนยาเป็นที่ละเล่นและเพลิดเพลินใช่ไหมไม่ใช่ เรามองว่าโลกดุนยานี้คือโลกแห่งการสะสมคุณงามความดีไม่ใช่มาอยู่แบบพ้นไปหาความสุขใส่ตัวแล้วก็พ้นไปไม่ใช่นั้นพอเราไปถึงระมดอดเราถือสินอดกันถึงเวลาละหมาดเราตื่นละหมาดไม่ว่าอากาศมันจะหนาวยังไงมีฝนยังไงเราก็ต้องตื่นขึ้นมาละหมาดให้ตรงเวลาคราวนี้ถามว่าแล้วเราอยู่ในดุนยาเนี่ยเราจะหาความเพลิดเพลินไม่ได้เลยเหรอ คำตอบก็คือได้แต่ไม่ใช่ได้แบบไม่มีเวลาให้กับอัลลอ์เพราะว่าในดุนยาเนี่ยอัลลอ์ให้ความสุขมาสี่อย่างสอาดอารบาอุนสอาดมีอยู่สี่เรื่องที่อัลลอ์ให้เป็นความสุขในโลกดุนยาหนึ่งจำได้ไหมอะไรคนที่อยู่ข้างเราภรรยาสามีคู่ครองคือความสุขความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งอันที่สองบ้าน อัลลอฮ์ให้ที่อยู่อาศัยให้เป็นที่เพิดเพลินได้อยู่บ้านแล้วเพลินนะบางคนอยู่บ้านแล้วมีความสุขไปเหนื่อยมาจากที่ไหนก็แล้วแต่เนาะพอเข้าบ้านมารู้สึกได้ได้พักผ่อนอ่าอันที่สามเพื่อนบ้า น, เ พ, น, านเพื่อนบ้านนี่เคาเรียกความอุ่นใจเวลาไปไหนมาไห น, ไ, หนไกลๆ ก, ก็มีเพื่อนบ้านคอยเป็นหูเป็นตาให้เวลาสุดที่ย้ายบ้านไปเนี่ยเขาคอยมาดูมาสอดส่องนึกว่ายาม คอยมาดูคอยมาถามเป็นทุกเป็นยังไงบ้างอัราทำดลแล้วเพื่อนบ้านดีมากอันสุดท้ายก็คือพาหนะครับพาหนะก็คือสิ่งที่จะทําให้เกิดความเพลิดเพลินนั้นจึงไม่แปลกเนาะทําไมผู้ชายชอบรถสปอร์ตเออผู้ชายเนี่ยชอบสะสมรถสปอร์ตนะถ้าเป็นสมัยก่อนก็มา้ออมาอหมม้าเป็นไงได้ไหม อ่ะแต่อย่าใช้จนกระทั่งเลลืมเวลาให้ก่ Allah. อนล้อเอนอ้าวอัลลอบอกต่อว่าววล ด, ดารุลอาคิรอตุคอยรุลลิ ล, ละดีนายตักูนาฟละลาตากิรุนและแน่นอนสำหรับบ้านแห่งอาคิรอบ้านในดุนยาอยู่กันประเดี๋ยวประเดาวเดี๋ยวก็จากเลวนะและฉันดูมาแล้วไปถามมาแล้ว คนที่ทําบ้านหลังละร้อยล้านมีเวลาตายไม่เคยมีใครฝังไว้ในบ้านเลยเอาออกจากบ้านหมดอุตสาห์ทำสังเเพงนะน่าจะฝังไว้ในบ้านหน่อยไม่ฝังเอาไปฝังกูโบเจ้าสัวไหนก็ไม่มีเจ้าสัวเน่ยระดับหมื่นล้านก็ไปฝังที่ห่วงซุยเออไม่มีใครฝังที่บ้านหรอกสุดท้ายก็ต้องออกจากบ้านอยู่ดีนะแต่เราจะไปอยู่อีบ้านหนึ่งก็คือบ้านในโลกหน้า แล้วร้อบอกว่าคอยรุ่นลินละดีนายะตะกูลมันดียิ่งสำหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรงคนที่ยำเกรงต่อร้อเนี่ยบ้านที่ดีในโลกหน้าดีกว่าจะดีขนาดไหนในโลกนี้สู้บ้านโลกหน้าไม่ได้อฟเลตากิลูลพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรือคิดสิไตรตองสิถึงสถานที่ที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องจากไปอ่า ทำดลินละอ่านต่อนะจ้ะอายะที่สามสิบสามกอดนะเลมูอินนะฮูละยาซุนกัลาดียะกูล อีกรอบหนึ่งนะกอดน่าลมูอินนหูเลยะนุกลดียกอดนามูอินนูยะนุลียอ่ตรงนี้นะนุกลดี ไม่มีนูนนะหน้าไม่มีนะละทีย่าูลูนเลยนะครับกอดเดาเลมอินนั่วและยัจูนุคัลที่อยะกูลูน فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ نَهُمْ อีรอบหนึ่งนะเฟอินนะฮّมُฟอินนะฮَุแลِอَู่กัَดีบูนِ็ว่าและَินนั่นที่มีนับอَายาติอ Nah, ah. وَلَقَدَ كُذِّبَتْ رُسُولٌ م ِّ ن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا ฟ้าซอบารู ا ف َ ص َ ب َบُ و ูนะอีรอบนึ่งว่าแล้วก็คดดิบต์รุสุลุมมิ่งกับลิกะฟ้าซอบารูอ م ล ا าม ذ คّ ب ُบ ا อ่ากุดดีบูไม่บูนนะอ่าเผอเผ อ, เอบูนอย่าไปใส่นูนไม่มีนูนกุดดีบูหยุดแค่นี้อ่าเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นจบอายะเนี่ยมันจะมีนูนอยู่ข้างหลังหมดหลยเห็นไหมอยะจะหาดูนมุสลีนแต่พอเวลามันจะอยู่กลางๆเนี่ยบางครั้งไม่มีนูนนะอ่าก็ต้องหยุด โดยที่ไม่เพิ่มนูนเข้าไปเช่นอาลามากุดดิบูบูเลยไอยรอบนึ่งวาลากดกุดดิบัทรุสลุมมินกบลีกะฟะ صبر อาลามากุดดิบู วَ ت َّ ى หิตแต่ท่านม์นัสรณะไอ้รอบหนึ่งว่าอุจหิต แต่เอตุหุมนัสรุนเนี่ยวَาอุจุขแต د เอ ل َ م ุมَ ل ِรุ ا ت ِี ل, ل ل ว่าล و ل َ ق د جاءك من نبائل المرسلين อดูนะมินนับาอิลข้ามไปเลยนะนบอิ วَ ل َลَ د ก็َ ا ء َ ك จ م ค ن َิหน้าบ่เอล์มุรสัลินว่าแล้วก็จะเอาจาค์มิหน้าบ่เอล์มุรสัลิَวอ كان كبر عليك ََ إعراضهم، فإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي ن ف َ ق نفاق في الأرض. อานอนาฟะกอนกอนใช่ไหมอ่านแล้วก็มีฟานาฟะกอนฟิลอาร์เป็นอีกฟาอ่านยากหน่อยนะ ไฟนิสต์ตะ أ ันตะวันตะตะกี้น่าฟังฟิลอ ن รุตไฟนิสต์ตุลฟสอต ตีหุมบิอายะอสสูสุลเลมสิฟะมาอิฟตะตีหุมบิอายะอ่ามีมตายพบบาอย่าลุมเนืงเสียงนะฟตตะตีหุมบิอายะอูะ อَสุลเลม์ฟิสซาม่าอิฟตัดทียุมบีอายาอูสุลเลม์ฟิสซามَ่อิฟِ ي ดทียุ ب ِ آ ي َยา ولوش ا ل ل a َّ ه ُ ل َ ج َ م َ ع َ ه ُ م d ع ل َ ى ا ء Allahu َ a j a شَاءَ اللَّهُ ل َ ال ش ا م َ ع َ ه ُ م ْ عَلَى ا ل ْ ه ُ د َ ى a ฟَลาตะَูนันนามินัลจ ا าฮิลินฟาลาตะมิัลจ้ลตะูนันนมินัลจฮลิ อินน้ามาจะติบุลลาฎีน่าจะมาอุนอินนามาจะบุลลาฎีนมาอุนอินนามะบุลลาฎีน่ามาอน والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. อ่ะมาดูความหมายนะครับก็ด์เ เน้นย้ำนะเราทราบดีว่ากอดหน้าลำแปลว่าแน่นอนเราทราบดีหน้าลำเราทราบดีทราบดีว่าอะไรอินนหูแท้จริงพวกเขาเนี่ยลียซูนุกะอัลลดียากรูนเราทราบดี ว่าสิ่งที่โบขาวกล่าวนั้นทำให้เจ้าเสียใจใครอะเสียใจท่านนาบด ม, มฮัมหมัดสลต่านฮยไฮิวสั ล, ล่ะเหมือนเหมือนเปรียบเทียบเนาะเราหวังดีกับลูกเราสมมติเียเราลากลูกเรามากเลยแล้วเราก็ไปบอกลูกลูกเอ้ยทำอย่างนี้นะลูกทำอย่างนี้นะไอ้ลูกมันกระเทียงไม่เทียงไม่พอมันดาอะไรอีก <c oughs> ย่อไปด้วยอะไรโลกมันเปลี่ยนไปแล้วย่อ ยอดโบราณเนี่ยสมมติอ่ายอกัะหลังแหวนมกักกะส <c oughs> <c oughs> ิมีตรงนี้โลมเถียงพ่อแม่เราเนะรู้นะ่ะ ไ, ไอ้ที่ทำอยู่มันเป็นยังไงแต่ว่าเด็กมันดือ้อถามว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่เสียใจไหมอลอเสียใจสิน้ําตาตกในเช่นเดียวกันถามว่าเวลาอบีไปสอนเนี่ยอบีเป็นห่วงอุ้มมาของท่านไหมอย่างรักเลยเป็นห่วงเป็นใยมากแต่โดน สวนกลับมาแต่ละคําแต่ละดอกขอโทษทีนะโอ้โหเอาซะน้ำตาตกอําตาตกในเสียใจนะบีเสียใจเพราะนบีเป็นมนุษย์มีความรู้สึกเสียใจอยู่แล้วใครที่ตอบรับท่านนบีนบีก็ดีใจใครที่ไม่ตอบรับนบีก็เสียใจตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาต้องการจะปลอบใจท่านนบีปลอบใจท่านนบีเราดูนะ ให้กำลังใจแล้วก็เป็นการให้กำลังใจคนที่ทำหน้าที่สอนศาสนาแล้วโดนด่าด้วยเอออย่าคิดว่าเวลาไปสอนศาสนาทุกอย่างจะปูไปด้วยกลีบดอกไม้นะ่ะบางครั้งก็มีก้อนหินเหมือนกันแต่เขาไม่ได้มาควางหรอก <c oughs> เขาก็ดา่าโดยเฉพาะในโลกของการเผยแพร่ในอินเทอร์เนต็ตนะครับมันเปิดกว้างผมทำในเรื่องของติ๊กต็อกด้วย ติกตอกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเต้นๆเต้นกินดำกินน้องเพลงเยอะแต่ก็เขาก็ไม่ได้ห้ามนะถ้าเราจะสอนศาสนาในนั้นแล้วคนดูเยอะเป็นแสนเน่ะคนดูไปเยอะมากเลยนะเป็นแสนมันวัยมันวัยรุ่นน่มันดูเยอะมันแล้วมันแป๊บเดียวผมก็ําถามตอบหนึ่งนาทีโอ้โหพี่น้องไปดูในคอมเมนต์เป็นพันเนี่ยด่าประมาณสักแปดเก้าร้อยเออโอ้ยโดนด่าเละไปหมด บางทีด่ามากๆเนี่ยบางคนที่เขาเป็นแอดมินเขาก็จะแคปไว้แล้วก็ฟ้องทําเดินกับตนมีแต่ไม่ใช่ของผมนะเพราะว่าเขาเอาคลิปผมไปลง อ, อนุญาตแล้วอัดแล้วเรียบร้อยคร mm. นี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่เข้าไปดูเพราะว่าเข้าไปดูแล้วไม่ได้ไม่กล้าทําเลยถ้าเข้าไปดูปุ๊บโอ้โหมันด่าเราหมดกําลังใจ mm. อ่าก <ๆ S 1> ็เขรู้เราเรามีความรู้สึกไงมันคนละเรื่องกับบรรยายศาสนาเพราะ บ, บรรยายศาสนาเนี่ยคนเขาต้องการมาเอา เอามาเอาความรู้แต่ไอเนี่ยมันดูอยากจะดูเพลงแต่มันดันมาเจอไอ้ใครวะข่าวยาวๆพูดอยู่เออฟังมันหน่อยสิโอโหพูดแบบนี้ใส่เลยพิมพ์มันก็คอมเมนต์ซะหน่อยฉันก็บอกว่าไม่ต้องส่งให้ฉันดูนะเพราะว่าฉันดูแล้วฉันไม่กล้าทำแล้วเดี๋ยวฉันกลัวฉันขอทําแล้วก็ให้ให้มันว่าไปมันจะด่าด่าไปเหมือนกับนบีของเราเนี่ยนบีของเราก็ถูกถูกว่าถูกด่าถูกประนามถูกกล่าวหาเยอะแยะไปหมดเลย น บ, บีเสียใจแล่ยะซูนูกันแหลดีกูลูนนบีเสียใจอัลลอ์รู้น บ, บีเสียใจฟาอินนะฮุมละอยู่กับบูนก้อัลล์บอกว่าพวกเอ่อบอกว่าไงแท้จริงพวกเขาเนี่หาได้ปฏิเสธเจ้าไม่จริงๆเน่ยเขาไม่ได้อะไรกับเจ้าเลยเพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่เจ้าจะเอาคำดำรัดของร้องมาเผยแพร่เนี่ย เขาก็ชื่นชมเจ้าไม่ใช่หรอว่าเจ้าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มารยาทดีแต่พอนบีประกาศคำว่าลวอีลาหะอิลลลอไม่มีชิ้นดีเลยเสียคนเล ย, ย, เลยกลายเป็นคนหนึ่งเลยเพราะมันต้องการพวกนี้ต้องการจะอะไรต้องการที่จะปฏิเสธศัตธรรมนั่นเองนะแปลกไหมบางคนเนี่ย บางทีเนะี่ยอยู่ด้วยกันกินเหล้าเมายากันไม่เคยมีปัญหาเลยเวันหนึ่งกลับมาบอกว้า mm. ไม่ได้นะมันบาปนะ mm. ไปเลยไปเลยหงุดหงิดแล้ว <laughs> กลายเป็นคนไม่ดีเฉยเลยเอแต่ตอนเป็นคนชั่วเหมือนกันนี่พวกเดียวกัน mm. นาบีจึงบอกว่าอาลัลลอฮ์จึงบอกว่าอย่าไปคิดมากแท้จริงพวกเขาหาได้ปฏิเสธเจ้าไม่แต่ทว่าบรรดาผู้ที่อาธรรมนั้นปฏิเสธอายาต่างๆของอลัลลอฮ์ต่างหากนะ เ, เป็นการให้กําลังใจนะครับ ปรอบใจท่านอาบีเอาต่อมาอายะต่อมาเราบอกว่าว่ลาละก่อนและแน่นอนบรรดาศาสนทูตก่อนหน้านั้นเวลาวลจะเราจะให้กำลังใจใครเนี่ยเราก็จะต้องเท้าความไปถึงคนที่เคยประสบมาก่อนจริงไหมจะไปดูคนในอนาคตเราก็ไม่รู้หรอกจะเป็นเหมือนเราไหมแต่ลงไปดูรุ่นปู่ย่าตายายเราสิ เนี่ยรู้เป่ารุ่นกว่าจะเราจะมีมีตึกใหญ่โตขนาดนี้มีบ้านเนี่ยป๋ามะเราเดือดอะไรนะเขาขยันมันเพียรขนาดไหนเขาทํางานขนาดไหนก็ให้เป็นตัวอย่างให้เห็นเช่นเดียวกันเอาเราบอกแน่นอนบรรดาศาสนาทูตก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนเจ้านั้นเนี่ยก็คือก่อนท่านอบีุลมฮัมหมัดเนี่ยก็ได้ถูกปฏิเสธมาแล้วนบีุลมฮัมหมัดคนเดียวเหรอที่มีคนปฏิเสธโอ้โหนบีนลหมตั้งแต่เราซูนท่านแรกคือนบีนลหมนะ โดนแล้วนบีนัวโดนสารพัดนบีมูซานาบีอีซาโดนทุกคนนะครับแล้วพวกเขาก็อดทนไงี่ยฟาซบารูเขาอดทนต่อสิ่งที่พวกเขาถูกปฏิเสธเละไม่พอนะมากุซีบูเออดูและกก็ถูกทำร้ายด้วยถูกทำร้ายด้วย จนกระทั่งฮัตตาอาตาฮุมนะสรุนาจนกระทั่งความช่วยเหลือของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ยังเขานบีอะไรถูกเผานบีอิบรอฮีมถูกเผาโยนเผาเลยเผากองไฟเลยนารูดมันโหดไอ้นารูดไหมนสัตว์เลยนำรูดแหละใช่ไหมเออมันเผามันเผานบีบรอฮีมแต่อัลลอฮ์ก็ทรงช่วยเหลือให้ไฟกลายเป็นไฟเย็ยนอันนั้นไฟนบีบรอฮิมนะ เออไม่ใช่ของเราไนงะของเราร้อนนะเอะอเฉพาะนบีบรอฮิมไฟเย็นอ่าทุกคนเลยนบีอีซาแล้วก็ยกขึ้นไปนบีมูซาแล้วก็ช่วยเหลือแต่ก่อนที่เอลอจะช่วยเหลือเนี่ยเอลอต้องการใจะให้เห็นถึงความอดทนก่อนดังนั้นเงื่อนไขหนึ่งพี่น้องครับเอลอจะช่วยเหลือบุคคลที่อะไรอดทนถ้าเราไม่อดทนเนี่ยเอลอเอลอไม่ช่วยอะต้องอดทนให้เห็นก่อนว่าเนี่ยเหมือนกับลูกเราอ่ะ บางทีไม่ทันอะไรเลยช่วยเลีว้วให้เขาได้ไปประสบกับสิ่งของเขาก่อนให้เขาได้เรียนรู้ก่อนก่อนพอเขาอดทนปั๊บเราในฐานะพ่อแม่ก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเห็นไหมเขาจะได้มีบทเรียนอาจจะได้คิดได้เช่นเดียวกันพวกเราเนี่ยบางทีไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็ช่วยก่อนเลยให้เขาได้ลองก่อนลองผิดลองถูกก่อนอะไรก่อนเสร็จแล้วก็พอมันไปไม่ได้จริงก็ช่วยเหลือมันก็เป็นการทดสอบในตัวงเขาด้วย และอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีใครเปลี่ยนแปลงดํารัดของอัลลอฮ์ได้เวลามมบัดดิละกลกาลีมากาลีมาตินลาเปลี่ยนค ำ, คำดำรัดคําดํารัดของอัลลอฮ์ได้ไหมสมมติเราไปสอน อ, อิสลามเนี่ยต้องคุมหิบยาบนะต้องแต่งตัวมิชิดนะอุย้ยแมวจานแปะใหม่มันร้อนต้องหัวแดง ต้องเปิดหน้าเปิดหลังถ้าผมเปลี่ยนปับ๊บเท่ากับผมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนคําพูดของลอสิเปลี่ยนภูกกมิศาสนาสินั้นยืนเอาไว้คนมันจะดา่ามันจะว่าอะไรก็ปล่อยมันแต่เราห้ามเปลี่ยนดํารัสของลอสเด็ดขาดเหมือนที่เราซูนไม่มีการเปลี่ยนดํารัสของลออยู่แล้วนะไม่ได้สอนเอาใจคนนะเอาต่อมาและแท้จริงนั้นว่าเราก็จะจะกักมินนบาอิล ม, มุลสลีน และได้ยังมาพ่อเจ้าแล้วถึงข่าวขาวของบรรดาผู้ที่ถูกส่งมานะเอาต่อมาครับอายาที่สามสิบห้าอเลบอกว่าวอินยกาเนะและถาหากว่าการผินหลังกาบูรอผินหลังด้วยกับความยิงยโสห่างแต่กา บ, บุษยิงยโสทนงตัวก็ผิหลัง การผินหลังให้กับพวกเขานั้นเป็นเรื่องใหญ่โตแก่เจ้าเลวถ้าเอาเรื่องที่พวกเขาปฏิเสธไม่สนใจไม่ฟังเอาเป็นเรื่องใหญ่เลยเหมือนกับฉันเนี่ยสมมติเอาคําด่าคนเอาคําคนนึงที่มาว่าฉันฉันสอนถูกแล้วนะมีคนมาว่าฉันเล่าเป็นเรื่องใหญ่ฉันก็เลิกสอนแล้วถามว่าไหนมันดีไม่สอนแล้วเขาพูดพูดเดี๋ยวสอนไม่ไปดีเดี๋ยวเขาว่าเอ า, เาก็กลายเป็นเลิกทํางานศาสนาสิ อยาเป็นเรื่องใหญ่โตเราบอกการผินหลังอัพวกเขานั้นถ้าเอาเป็นเรื่องใหญ่โตเกศเจ้าแล้วหากว่าเจ้าสามารถอ่าเปรียบเทียบอีกนะหาสามารถอะไรฟาอินิสตาตตาหากว่าเจ้าสามารถหาช่องทางใดช่องทางหนึ่งนาฟากอนฟินอาร์ฟนาฟากอนนี่แปลเหมือนกับอุโมงเหมือนหลุมอะหลุมปลอภัยอะนาฝากนาฝากแปลอุโมงกันเลย อันนี้คำคำัพทนี่คุณคุ้นไหมมูนาฟิกอ่าเดียวกันนี่แหละนับฝักนับฝักไปว่าอุโมงค์ถ้าซึ่งมันมองไม่เห็นมันอยู่ข้างล่างหมายถึงว่าหาแสวงหาทางลงไปหรือซุลละมันบันไดขึ้นสู่ฟากฟ้านะ และถ้าหากว่าเจ้ากำไรมุสลิมเนี่ยสามารถจะแสวงหาช่องทางใดๆในการลงไปในดินหรือขึ้นสู่ฟ้ า, ฟ า, ฟาแล้วนำสัญญาณหนึ่งมายังพวกเขาเอาสัญญาณหนึ่งมามาให้พวกเขาก็คือพวกที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยว่าเราชาอัลลอฮ์ฮาและจะมาฮุมอัลัลฮูดาแน่นอนอลัลลอ์บอกว่าไง หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนอัลลอฮ์ก็จะรวบรวบเขาอยู่ในทางนำทั้งหมดเลยแปลว่าถ้าอัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตายแล้จะกําหนดนะให้ทุกคนเนี่ยรับอิสลามกันทั้งหมดเลยนะก็เป็นสิ่งที่พระองค์นั้นสามารถจะกระทําได้เหมือนกับที่พระองค์ได้สร้างมาริกามาแล้วแต่ถามว่าจะสร้างมาริกามีมาริกามาแล้วเนี่ยยังต้องมีมาสอนมาริกาอีกไหมไม่มีแล้ว แตเมริกาต้องมาสอนอีกไหมล่ะหมายถึงว่าต้องมานั่งเผยแพร่แล้วไม่ตองแล้วเพราะอเมริกาทำเชื่อแล้วก็ศรัทธาทําความดีแต่มนุษย์เราเนี่ยมันมีทั้งเชื่อก็มีไม่เชื่อก็มีฟังก็มีดื้อก็มีนั้นแหละมันเป็นหน้าที่ของเจ้าไงที่เจ้าจะต้องทําการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์เวลาฉันเห็นคนไม่ดีเนี่ยต้องคิดมุมมุมดีว่าเนี่ยงานเราเนี่ยงานฉันเลยเนี่ยเห็นคนติดยงติดยาคนเซซอเยอะเนี่ยเฮ้ยนี่งานเราเว้ย เอลเอาลอส่งงานมาแล้วให้เราต้องเรียกร้องเชิญชวนเขาแต่ถ้าดีกันหมดแล้วนี่ฉันตกงานเลยเป็นตัครูกันหมดเลยนะตกงานแล้วไม่รู้ไปสอนใครแหมนี่คิดในมุมทางบวกด้วยแต่ถามว่าถ้ า, อาลอสจะให้ศรัท ธ, ธากันหมดเลยพอพูดปั๊บเชื่อหมดพูดปั๊บเชื่อหมดทําได้ไหมทําได้แต่ไอ้เหตุที่ว่ามีคนเชื่อไม่เชื่อเนี่ยมันเกิดจากอะไรอายะที่สามสิบหกออลจะบบกเห็นไหมมันจะต่อกันเนื่องเลยพี่น้องครับต่อนเนื่องกันเรื่องราวเนี่ย ดังนั้นพวเจ้าอย่าได้เป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้ที่โง่เขลาเลยยาฮิลีนนะยาฮิลีนแปลว่าคนโง่คนที่ไม่รู้คนที่ไม่สนใจอินนามายัสตาจีบุลแลดีนายัสมาอุนแท้จริงผู้ที่จะตอบรับคนที่ตอบรับนบีเนี่ยคือใครมีทั้งคนที่ไม่ตอบรับและคนตอบรับถูกไหมพี่น้องลองคิดดูนะ สมัยเนี่ยสมมุติเทียบฉันเนี่ยฉันสอนหนังสือแล้วคนไม่คนไม่ฟังชนดา่าคนตัดฉันว่าไม่แปลกขนาดนาบีเนี่ยสอนยังมีคนไม่เชื่อเลยแล้วถามว่าเราจะเหลือไหมขนาดนาบีเนี่ยมีทั้งมวยจีบาทมีทั้งโอ้โหเป็นคนที่บะเสริฐที่สุดสอนเนี่ยยังมีคนไม่เชื่อแล้วเราคนธรรมดาเนี่ยเป็นตักูธรรมดาเนี่ยถ้าสอนแล้วเชื่อกันหมดีนฉันแจ๋วเลยนะแจ๋วกว่าอยู่เลยเนะี่ยแต่ว่าไม่ใช่ไงมันก็ต้องมีคนที่ไม่ฟังคนที่ดื้อไปได้วยปกติ นั้นอย่าอย่าอย่าหลงตัวเองอย่ามองตัวเองวโอ้โยทุกคนถ้าฉันสอนแล้วต้องต้องเชื่อหมดต้องฟังหมดมันก็อาจจะมีคนดื้อ ม, มีคนอะไรด้วยเพราะความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่เราอยู่ที่อัลลอฮ์เราทําหน้าที่พอแท้จริงผู้ที่ตอบรับนั้นเพียงมีแค่เพียงใครบรรดาผู้ที่ได้ยินเท่านั้นผู้ที่ได้ยินเท่านั้นเยสมาอูน yes, เอาแล้วคนไม่ได้ยินเป็นยังไงคนไม่ได้ยินเป็นยังไงพี่น้องไม่ยากคนไม่ได้ยินไม่เคยเห็นเหรอ เวลาเลื่อนไปเจอศาสนามึงอยากกุลรำคาญมันด่ากุยเล้วคือไปคุณตาบ้านนี่แทบจะไปตอนเขาจบแล้วนะคนไม่อยากฟังเนี่ยมีแต่ว่าในไหนต้องไปเพราะว่าเดี๋ยวย่อบุไปหน่อยไปก็ไปนั่งวงน้ําชาคุยกันกองอยู่ข้างหลังไปฟังหรอกเขาคุนคุณตาบ้านว่าเรื่องอะไรไม่รู้ประเพอไปถึงหลับเลยก็มี อ่าบางทีก็ไปจนกระทั่งเขาจะเลิกแล้วขนาดคุณตาบ้าบังคับนะยังไม่ฟังเลยอ้าวบรรยายเลยโอ้ยกูไม่วางแร้วอ่ามีอะไรอีกละ่ะมีคนไม่ฟังเยอะแม้กระทั่งศสียงสลามเนี่ยเปิดไปเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยมึงจอดเลยกูไม่ขึ้นกับมึงแล้วมึงเปิดเสียงสลามมันถึงขั้นมันจะคืนท่านลงรถเมีเนยนะพอเราเปิดวิทยุเนี่ยเสียงสลามไม่ไม่ฟังคนมันไม่เอาแสดงคนที่จะฟังท่านนับีนี่คือคนที่ได้ยิน แล้วลราบอกว่าวัลมาตาและคนที่ตายนั้นบรรดาคนที่ตายนั้นอัลลอฮ์จะทรงให้พวกเขาฟื้นคืนชีพยะบาสุหุมุลลอซุมมาอีไลฮียุดจาวและพวกเขาก็จะถูกนำกลับไปยังพระองค์คำว่ามาตาตรงนี้เนี่ยพี่น้องนะหมายถึงตายตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตเลยไม่ใช่ตายแบบหมดลมนะคือมีชีวิต ในสภาพเหมือนกับคนตายคือไม่สนใจศาสนาธรรมมา ก, ก็ไม่มองไม่สนเหมือนคนตายอ่ะเหมือนกับเราไปสอนคนตายพี่นอ้องสอนคนตายมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์นะดังนั้นเอาเราเปรียบเทียบเนาะคนที่นบีสอนแล้วเขาตอบรับนั่นคือคนที่เขาตั้งใจสดับรับฟงังคนที่เขายังหัวใจยังใฝ่หาคุณธรรมส่วนคนที่นบีไปสอนแล้วเขาปิดหูไม่สนใจก็คือคนที่ตายไปแล้วซึ่งคนตายไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไร ผมไม่เคยถามแล้วที่โรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนผมทำงานโรงพยาบาลอยู่เฮ้ยเวลาปั๊มปั๊มที่ประจรเนี่ยพี่น้องรู้ไ้ยเวลาเขาปั๊มเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าปั๊มแบบอย่างนั้นน่ยเขาขึ้นไปค่อมที่ตัวเนี่ยทั้งตัวเลยนะแล้วก็กระทืบไอ้ไม่ใช่กระทืบใช้แรงเนี่ยกดทั้งตัวถ้าใครเห็นภาพเนี่ยรับไม่ได้เลยทำไปหมดทำอยู่างนั้นน่ประมาณครึ่งชั่วโมง คือไม่ต้องพูดเนะี่ปอดเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเขาไม่สนเขาสนอย่างเดียวขอให้หัวใจเต้นโป่งปอดมันจะพังมันจะช้าอะไรแล้วพี่น้องลองคิดดูดิคนที่อายุเยอะๆเนี่ยแล้วโดนแบบนั้นไปเนี่ยจะทรมานขนาดไหนนั้นหลายๆเคสเนี่ยอยาก จ, จะสั่งเลยบอกว่าถ้าหมดที่บัตรแล้วไม่ต้องปั๊มแล้วปล่อยให้หมดไปเพราะไปเห็นภาพแล้วรับไม่ได้เลยโอ้โหมึงทําอะไรมากรวะเออแต่มันคือวิธีการช่วยชีวิตของเขา แต่ว่าก่อนที่เขาจะปั๊มเนี่ยเขาจะมีตัวฉีดก่อนไอ้ยาเนี่ยหลอดหลายหมื่นนะฉีดเพื่อไปกระตุ้นให้หัวใจมันทํางานและอาจจะปั๊มขึ้นมาอาจจะอยู่ได้แต่อาจจะอยู่ได้แบบเป็นเจ้าหญิงนิทาาละอยู่แบบไม่สนเขาได้อะไรไม่มีการตอบสนองแต่หัวใจเต้นอยู่คราวนี้เขาก็ยังให้ยาอยู่แต่สมมุติผมถามพี่น้องว่าปั๊มไปครึ่งชั่วโมงที่ประจอนไม่มาผ่านไปสี่สิบชั่วที่ประจอนไม่มามีโรงพยาบาลที่ไหนยังเอาไปรักษาใส่ ย, ยาอยู่ไหม ไม่มีหมอที่ไหนจะเอายามาใส่มาฉีดคุณไข้าตายไปสองวันแล้วผมขอฉีดยาหน่อยนะมีไหมมาตรวจที่บ้าจอนพอตายเสร็จเขาก็แจ้งญาติให้เอากลับไปทําพิธีเหมือนกันพี่น้องถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เราไปสอนศาสนาคนที่ตายไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เลยหรอกเพราะหัวใจเขาปิดแล้วเขาตายด้านแล้วแต่คราวนี้ประเด็นก็คือว่าเราจะรู้ไหมเรา ว, ว่าเขาตายหรือไม่ตายนี่แหละเพราะบางคนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขั้นตายมันแค่ป่วยเพราะศาสนาเนี่ยมีอยู่สามอย่างนะ หนึ่งก้อนบุญสลีมหัวใจที่ดีหัวใจที่ยอมรับเสชาธรรมอันที่สองก้อนบุญมารีดหัวใจที่ป่วยป่วยนี้รักษาได้ไหมรักษาได้อ่ายังรักษาได้ยังสีดยายังบำรุงได้อันที่สามก้อนบุญไมหมอีดหมายถึงก้อนบุญหัวใจที่ตายด้านนี่คือประเด็นเนี่ยเราจะแยกให้ได้ว่าไหนมันป่วยมันไหนมันไหนมันตายแต่ถ้าเกิดสอนไปแล้วไม่มีอะไรต่อเนื่องเลยนะผ่านไปสิบปียี่ิบปีอันนี้น่าจะตายตุ่าละ แต่ถ้ายังป่วยอยู่มันต้องมีอะไรตอบสนองบ้างเหมือนกับที่ประจรที่สามารถวัดได้แม้ว่าจะนอนเป็นผักแต่ที่ประจอนยังอยู่ก็แสดงว่ายังมีโอกาสที่จะฟื้นหัวใจนั้นให้กลายมาเป็นหัวใจที่ดีได้นะแต่ที่นบีสอนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีพวกที่หัวใจตา ย, ตายด้านเช่นอาบูจาฮันที่เคยเล่าไปแล้วมาฟังกูดันตั้งแต่เช้ายันสุ บ, บูไม่ได้อะไรเลยฟังแต่มันตายหัวใจมันตายมันก็จะหาข้อในการที่จะไม่เอาอิสลาม นะครับอ่ะอ่านต่ออีกสักอาจารย์หมายยังอ่ะอีกสักสกสามมายาะแล้วกันนะวะกลูลเลวเลนุซีละอเลยฮิอาเยตุ ม, มิรรับบิ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قادر ل َอาลาไอยَนัซ ل ิลอายา แَ่ร ا ้แต่รَ้แต่รู้แต่ร ل ้แต่รู้ ฮะ <Huh? laughs> ไม่พร้อมกันสักคน <laughs> นี่อ่านอายาเดียวกันปะเนี่ยอายาเดียว <c oughs> ดา บ, บ้านี่ขออนุ ญ, ญาตนะยาวนิดนึงดาบเบอร์ติม อ, อีกรอบหนึ่งนะแล้วหยุดตรงฟินอาร์ก่อนจานมาแล้ว <laughs> อ่าอีอรอบหนึ่งนะ وَمَنِ ا د َ ب َ فِي الْأَرْضِ. وَلَا طَائِرِي ي َ ت ي ر ُ ب ِ ج َ ن َ ا ح َ ي ه ِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ มาฟรัตเนฟิลกิตาบิมิชัยทุ่มมาอิลารับบิหิมยูพชารู وال الذين كذبوا بآياتنا صم وبك من مفظولمات นะว่าบุกมูมูฟิซดลมาไม่เยาอิลลฮยุลิลและไม่เยาจะเยาจะเยยะเายะเะเยาจะเาจะเยาจะเยาจะเยา อนอายเดียวกันปะอายเดียวกันนะอันไหนไม hu, <c oughs> ยะชอิลลาหูยัดลินหูเออยุดลินหูขอโทษดียุลินะูเอาใหม่นะเอาใหม่รอบหนึ่งดูดี <c oughs> ไมยะชอิลลูยุ ลิลหัวไม่ยาชายาจะ عل หัวลสรติมุตตะคอลหยุลิลหวไ่ชยาจ عل ละ อัลลอฮ์บอกนะวกอลูและพวกเขากล่าวว่าชาไหนเล่าจึงไม่มีสัญญาหนึ่งจากพระผู้อภิบาลของเขาถูกประทานลงมาให้แก่เขาพี่น้องครับการเป็นนบีเนี่ยอัลลอฮ์ส่งหลักฐานมาอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือมวยีศาตร์มวยีศาสตร์คือสิ่งมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ให้เป็นเครื่องพิสูจน์นะถึงการมีอยู่ของพระเจ้า ซึ่งม้วนยีสัในแต่ละสมัยเนี่ยเขาก็จะสอดคล้องกับคนสมัยนั้นเช่นทำไมอัลลอฮ์ให้กุูอาดเป็นม้วนยีสัตเพราะคนในสมัยนั้นเก่งเรื่องอะไรกาบกรโวหารสำนวนแห่เบิดเขาเรียกว่าในในการพูดเขาสามารถแยกได้อยู่แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่คำพูดของมนุษย์สมัยนบีซาเก่งเรื่องการแพทย์นบีก็ อีสาก็สามารถที่จะรักษาคนตาบอดได้นะคนหูเป็นโรคเรือนแล้วก็ทำให้คนตายฟื้นชื่นชีพได้นี่คือสิ่งที่มหาสจรนะผลนี้ถามว่าไหนเล่าสัญญาณการมีอยู่ซึ่งพระผัวพิบาลไม่ถูกประทานลงมาแก่เขาหรือจงก่าวเธอมอามัดกุลอินนัลลอฮากอดีรุนอาลาออยูนัซ ah um ีลอายะตันวะลกินนักซารุมลยลมุน จงกล่าวเถิดโมหะว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงสามารถที่จะให้สัญญาณหนึ่งลงมาแต่ถ้าว่าพวกเขาเนี่ยส่วนมากไม่รู้นะอัลลอฮ์ทรงสามารถนะครับแต่อย่างที่ฉันนําเรียนไปแล้วก่อนหน้านี้เขาก็จะอ้างนู่นอ้างนี่เพราะคนตายนะสอนมันก็ไป ม, มีประโยชน์แล้วนะนก็อ้างหลักฐานอ้างนู่นอ้างนี่ไปอ่ะอัลลอฮ์บอกต่อว่าว่ามามินดาบาตินฟิลอร์และไม่มีสัตว์ใ ด, ดๆในแผ่นดิน ว่าเราต่ออิรินยาตีรูบิจานาไฮฮนะและก็ไม่มีสัตว์ปีกใดๆที่บินด้วยก็สองปีของมันนอกจากอิลลาอุมามุลอัมซาลูกุมนอกจากปะหนึ่งเป็นประชาชาติเยี่ยงพวกเจ้านั่นเองตรงนี้เนี่ยคำว่าประชาชาติตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่าก็ต้องเป็นมนุษย์แต่ในอายะที่38มเนี่ยมุจาฮิ d บอกว่า ได้กล่าวว่าเป็นชนิดของประเภทต่างๆที่เรียกเฉพาะกอตาดาบอกว่านกนี่ก็เป็นประชาชาติหนึ่งประชาชาติของนกก็จะมีวงจรชีวิตของมันมันก็จะบินนกทําไมมันต้องบินด้วยเพราะเป็นนกไงประชาชาติของมันมันคือ น, นกมันก็ต้องบินด้วยกับสองปีกไปหามีการย้ายอุปบุพบอะไรนะอุยพถิ่นฐานว่างกันไปมนุษย์ก็เป็นประชาชาติหนึ่งจะไปใช้วิธีชีวิตเหมือนสัตว์ที่เป็นนกก็ไม่ได้เพราะเราบินไม่ได้ไม่มีปีกใช่ไหม อยากจะนึกจะบินบินไปไหนก็ต้องนั่งเครื่องบินแล้วก็ยินก็เป็นประชาชาติหนึ่งแยกกันเลยอัสซุดดีบอกว่านอกจากประชาชาติหนึ่งเยี่ยงพระเจ้าหมายถึงถูกบังเกิดมาเหมือนกันทั้งหมดเลยนกก็ถูกสร้างมายินก็ถูกสร้างมามดก็ถูกสร้างมาและอัลลอฮฺซุบฮาบะฮะวาตาลเมื่อสร้างมาแล้วพระ อ, องค์ทรงดูแลให้ปัจจัยยังชีพแบบครบถ้วน ไม่มีส่วนไหนเลยที่พระองค์ทรงลืมเอาไว้นี่คือความสมบูรณ์ความบริบูรณ์นะครับที่อัลลอฮ์ได้กําหนดนะเราก็บอกว่ามันคือธรรมชาติวงจรชีวิตธรรมชาตินั่นแหละอัลลอฮ์กำหนดไปหมดแล้วนะให้นกมันมีอาหารของมันสร้างนกมาก็ต้องสร้างแหล่งอาหารให้นกสร้างมดมาก็ต้องสร้างที่อยู่ทุกอย่างมันสอดคล้องกันหมดมนุษย์เราก็ให้สัตว์เป็นอาหารก็มีเป็นพาหนะก็มีใช้ในการประโยชน์ก็มีเป็นเพื่อนก็มี อัลลอฮ์ให้สัตว์บางชนิดมาเป็นเพื่อนมนุษย์มาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับอัลลอฮ์บอกว่าเราไมิได้บกพ้องแต่อย่างใดในคัมภีร์และยังเป็นผู้อภิบาลของพวกเขานะพวกพวกเขาเหล่านั้นด้วยพวกเขานั้นด้วยหมายถึงทั้งหมดเลยที่อัลลอฮ์สร้างมาและพวกเขาก็จะถูกนําไปชุมนุมตรงนี้แหละที่ผมพูดไปวันก่อนว่าสัตว์เนี่ยจะถูกนํามาชุมนุมด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะถูกให้กลายเป็นดินนะ ยาไลแตนีกุลตูตูรอบาโอ้ถ้าฉันเป็นดินเสียได้ก็ดีมันว่าอันนี้ใครพวกมนุษย์อยากเป็นควายแล้วตอนนี้จะที <laughs> ่บอกเยอยากเป็นดินคืออยากเป็นสัตว์แล้วพอรู้ว่าไอที่ข้างหน้าไปในนรกขอเป็นสัตว์ดีกว่าตอนนี้เพราะสัตว์อัลลอฮฺให้กายเป็นดินแต่ที่อัลลอฮฺให้สัตว์ฟื้นคืนชีพมาด้วยเนี่ยเพื่อที่จะมาไต่สวนเพราะว่าบางตัวที่มันขิดกันที่ขันเล่าไปแล้ว ไอ้ตัวหนึ่งเขาใหญ่ตัวเขาสั้นไอ้นั่นคุยไอ้ตัวนั้นอลัลลอฮ์ให้ทำให้ให้ทำคืนเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและหลังจากนั้นอลัลลอฮ์ก็ให้กลายเป็นดินไอ้มนุษย์ที่ทําชั่วก็โอ้ฉันอยากเป็นบ้างจา่านี่เริ่มทําตัวอยากเป็นสัตว์ละอัลลอฮ์ให้มาชุมนุมหมดเลยครับอแต่ว่าสุดท้ายแล้ว ส, สัตว์สิ้นสุดแค่นั้นแล้วเราให้กลายเป็นดินพวกเราก็เดินทางกันไปต่อไปรับบัญชีกันต่ออะจะไปสวรรค์ไปนรกก็แล้วแต่ผลงานที่ได้กระทําเอาไว้นะ เราเอลลามารวมหมดเลยนั่นคำถามว่าสาตว์นี่จะถูกฟื้นขึ้นชื่อเอามารวมไหมอยู่ในอยาย่นี้เลยหมดเลยนักมนุษย์ทั้งศาตว์ทั้งยินทั้งหมดนะครับวะแลดีนักกะบูบีอายาตีนาซุมมุมวะบุกมุนฟิซดุลูแมนบรรดาอายะทั้งหลายที่เรานั้นให้จะเป็นอายะที่ชัดเจนอะไรก็แล้วแต่มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะพอโบกเขาหูหนวกอ๋อเราบอกเสียงมันจะดังขนาดไหนพี่น้องคิดดูนะมันจะดังขนาดไหนแต่คนหูหนวกได้ยินไหม ไม่ได้ยินโอ้โหตะโกนใช่ไ่าโอ้โหแปดหลอดเลยก็มันหูหนวกมันจะได้ยินไหมล่ะคนเป็นใบและก็ไม่พอนะฟิสซูลูมสัสอยู่ในความมืดอีกโอ้โหมองเห็นไหมไม่เห็นเลยตื่อเลยพี่น้องมันมีสีดําอันหนึ่งเขาบอกเป็นสีดําสนิทเลยนะเป็นสีดําที่ถูกผลิตขึ้นในประเทศญี่ปุ่นผมไปอ่านสารคดีคือพอเวลาทายตัวเนี้ไปนะไม่รู้เลยว่ามันลึกขนาดไหนคือมันดําจนกระทั่งดูไม่ออกเลยว่ามันมีมิติ มืดแท่าทาในห้องเนะี่ยไม่รู้เลยมันคนที่เดินลึกเข้าไปในห้องแต่จริงๆออยู่หน้าห้องไอ้สีดำเนี่นะเป็นสีดำชนิดเดียวที่ดำสนิทที่สุดอันนี้ซูลูมาดมืดกว่านั้นอีกไมยชะอิลลหูยุดลินหูวไมยชะยาจาลหูอลาซีรอติมุสตกิม ผู้ใดที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะให้เขานั้นหลงทางผู้ใดที่พระองค์ทรงประสงค์ก็จะให้เขาอยู่บนทางที่เทียงตรงดังนั้นสําคัญมากๆก็คือเราจะต้องสแสวงหาศัตธรรมนะครับส่วนคนที่มันไม่ผลใจมันไม่ฟังอะไรก็มันก็ทําตัวของมันนั่นแหละหัวใจมันมืดบอด น, นะแต่แน่นอนว่าอัลลอฮ์ให้เครื่องหมายมาหมดแล้วไม่มีนะที่อัลลอฮ์แบบโอ้ไม่ให้เครื่องหมายมาเพราะมันจะมีอันนึงที่บอกว่าเวลาที่ศาสนาไปไม่ถึงอัลลอฮ์ก็ให้อภยัย ศา ส, สนาไปไม่ถึงไม่มีคนเข้าไปสอนคนเหล่านี้เอาลอให้อภัยคนที่อยู่ระหว่างประชาชาติระหว่างนาบีช่วงนั้นขาดนาบีไม่มีใครเลยอันนี้เอาลอให้อภัยนะแต่เมื่อสัญญาณไปถึงแล้วหน้าที่ของเราจะต้องตอบรับถ้าไม่ตอบรับปฏิเสธเท่าก็ถือว่าเป็นผู้ที่หลงทางนั่นเองนะซุบฮานะกัลลอฮุมเมอบิฮามลิก้าอัลลอฮุอะลลฮิอัลลอฮิอัลต้อัลตัฟลุกกาวาตูบิไลอัลสลามอานิคุมอรอมัตุลลอฮูบารอกาตุ